จิตที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมมีลักษณะดังนี้คือ 1. เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองมีความสงบระงับอยู่ตามธรรมดาคือมีสัมมาสมาธิโดยไม่หลงเพลินไปกับอารมณ์ทางทวารทั้ง6และไม่หลงเพ่งตรึงความรู้สึกให้แนบแน่นอยู่กับกายหรือใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2. เป็นสภาวะรู้ที่ปลอดโปรง่ง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 ไม่สามารถปิดบังอารมณ์ปรมาัตน์คือรูปนามได้จิตที่รู้สึกตัวจึงสามารถรู้อารมณ์ปรมาัตน์ได้ในขณะที่จิตหลงไม่สามารถรู้อารมณ์ปรมาัตน์ได้จะรู้ได้เพียงอารมณ์บัญญัติเท่านั้นและเมื่อจิตรู้อารมณ์ปรมาัตน์ได้แล้วก็ย่อมสามารถรู้รูปนามทั้งหลายได้ตรงตามความเป็นจริงจนเกิดภาวนามยปัญญา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 จึงสามารถจเจริญวิปัสสนาต่อไปได้เลยไม่เหมือนการทำฌานที่ต้องทำฌานก่อนแล้วจึงจเจริญวิปัสสนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นในภายหลัง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 ไม่ยากนะัก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 เมื่อเข้าใจวิธีการปฏิบัติในภาพรวมดังที่จะกล่าวนี้แล้วผู้ปฏิบัติก็สามารถเลือกอารมณ์เบื้องต้นของการเจริญวิปัสสนาได้ตามจริตนิสัยเช่นอาจจะเริ่มปฏิบัติด้วยการรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นรูปคือการรู้อิรียบทใหญ่และอิเรียบทย่อยจนเป็นการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้หรือจะรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นนาม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 ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยจากอายตนะนาบพระธรรมานุปัสนาสติปทานมหาสติปฐานสูตรทีขณิกายมหาวัครพระสุตันตปิฎกเล่มสองพระไตรปิฎกเล่มสิบ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 หรือธาตุดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นกระทบกับอุปาทายรูปถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือรูปเหล่านี้เป็นรูปที่บางเบาไม่มีน้ำหนักในการกระทบมากนักส่วนกายและโพธพะต่างก็เป็นมหาปูตา ร, รูปด้วยกันมีน้ำหนักและความรุนแรงในการกระทบมากกว่าอุปาทายรูปกระทบกันดังนั้น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 หัวใจของการรู้อิริ ย, บยาบถใหญ่ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ในมหาสติปฐานสูตรก็คือเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆส่วนหัวใจของการรู้อิริยาบถย่อยก็คือการเคลื่อนไหวอย่างมีความรู้สึกตัวดังที่ส่งสอนว่าภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอย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 เป็นต้นนั้นในทางตรษฎีต้องมีองค์ประกอบสามประการเช่นเดียวกับการรู้รูปเสียงกลิ่นรสและโภชพะคือต้องมี 1. อายตนะภายนอกคือรูปชนิดที่เป็นธรรมารมณ์ 2. อายตนะภายในคือใจหรือมานายตนะซึ่งเป็นเครื่องมือของมโนวิญญาณจิตในการรู้รูปนั้นและ 3.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 รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนจึงให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตามรู้รูปยืนเดินนั่งนอนไปอย่างสบายสบายได้เลย 9.4 แท้ที่จริงทุกคนรู้รูปได้อยู่แล้วคือสามารถรู้ได้ว่าขณะนี้กำลังยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนแต่การรู้นั้น ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับการเจริญวิปัสนาได้เพราะขาดโยนิโสมนสิการหรือการมองได้ตรงตามมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือพอรู้การยืนก็ไปหลงสำคัญมั่นหมายว่าเรายืนพอไปรู้การนอนก็ไปหลงสำคัญมั่นหมายว่าเรานอนเป็นต้นสำหรับผู้ปฏิบัติก็ให้ทำใจสบายๆอย่าเคร่งเครียด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 คือวาโยธาก็ทำงานผลักดันให้รูปเดิมดับไปเกิดรูปเคลื่อนไหวคืออิริยาบถ ย, ย่อยและเกิดรูปในอิริยาบถใหม่คืออิริยาบถใหญ่ในที่สุด 9.6 ผู้ที่จเจริญกายานุปัสนาสติปทาน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 จิตตานุปัสสนาสติปฐานก็ไม่ควรทิ้งการรู้อิรียบทใหญ่และอิเรียบทย่อยเสียทีเดียวเพราะเมื่อใดไม่มีกาลังพอที่จะเจริญสติรู้นามได้ก็จําต้องหันมาระลึกรู้รูปคืออิเรียบทใหญ่และอิรียบทย่อยอันเป็นอารมยาไปก่อนพอจิตมีกาลังแล้วจึงกลับไปเจริญสติรู้นามได้อีก 9.9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 การเจริญวิปัสนาเมื่อใจกระทบธรรมอารมณ์ที่เป็นนามธรรมนั้นมีองค์ประกอบที่เป็นนามล้ว น, ลวนกล่าวคืออารมณ์ที่ถูกปลุก็เป็นนามคือจิตและเจตสิกส่วนธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็เป็นนามคือจิตและในเวลาปฏิบัตินั้นหากหนึ่งมีเราอยู่ที่ไหนก็ให้รู้ที่นั้นหรือสอง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 และเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะเห็นต่อไปว่าความโกรธเป็นนามเจตสิกคือเป็นสิ่งที่เข้ามาประกอบจิตส่วนจิตเป็นธรรมชาติที่ไปรู้ความโกรธเท่ า, ทานั้นดังที่พระสูตรมักกล่าวว่าเดิมจิตประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอรมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นชัดว่าสิ่งที่ไปรู้ความโกรธเท่านั้น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 และกายทั้งสองข้อคือ7กับ8นี้คือการรู้ความจริงเกี่ยวกับจิตและรู้ได้ว่า 9. บางคราวจิตก็ยึดเกาะอยู่กับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโภธพะและธรรมารมบางคราวจิตก็แยกอยู่ต่างหากจากอารมณ์เมื่อใดยึดอารมณ์ด้วยอำนาจของตัณหาในรูป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 วิธีการสร้างความรู้สึกตัวทำได้สองทางคือหนึ่งสำหรับสมถญานิกก็ให้ทำสมถะจนถึงจะตุติฌานเมื่อจิตถอนจากจะตุติฌานก็ให้สังเกตให้รู้จักความรู้สึกตัวไว้พระป่าท่านมักเรียกจิตที่มีความตั้งมั่นและรู้สึกตัวว่าจิตผู้รู้ซึ่งในที่สุด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 จึงเกิดความสำคัญผิดว่ารูปนามเป็นเราและเมื่อจเจริญวิปัสสนาต่อไปอีกจนรู้ทุกหรือรูปนามแจ่มแจ้งแล้วตัณหาหรือความทยานอยากของจิตย่อมถูกละไปโดยอัตโนมัติปัญญาสามารถถอดถอนความยึดถือในรูปนามลงเสียได้ความทุกข์เพราะตัณหาอุ ป, ปาทานก็เป็นอันยุติลง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 1 1 5 1การมีสติเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นและลิ้นกระทบรสใช้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางอย่าง 11.5.2 การมีสติเมื่อกายกระทบโพธภพใช้เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในอาณาปานะบัพเพ และธาตุมณสิการะบพภะคือธาตุดินไฟลมและใช้เจริญธรรมานุปัสนาสติปฐานบางอย่าง 11.5.3 การมีสติเมื่อใจกระทบธรรมารมที่เป็นรูปใช้เจริญกายานุปัสนาสติปฐานในอิริยาบถบพภะสัมปัญญะบพัะและธาตุมณสิการะบัพภะ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 ถ้าสามารถจเจริญสติได้เมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6ก็จะสามารถจเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาได้ทุกอย่างแม้เบื้องต้นจ ะ, จะเจริญสติปัฏฐานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เบื้องปลายก็จะสามารถเที่ยวไปในปัฏฐานทั้ง4ได้เช่นเดียวกัน